จะมีพิธีทอดกับถินที่ระบาดสุกโตวันนี้ก็มีญาติโยมมิสหายมากมายมาร่วมทำวัดเย็นเพื่อที่จะรวมพิธีทอดกับถิน่ะนะปรุงนิเที่ยงก็มีมิสหายคณะหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากใหญ่มากในที่นี้คือประมาณ40คนนะ ก็คือสมาชิกกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมรวมกับอดีตสมาชิกชุมนุมพุทธศาสตร์หรือประเพณีนะมาลัยธรรมศาสตร์ <c oughs> กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นมิตรเก่าของวัดป่าสุกโตสมัยที่วัดป่าสุกโตยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็มีกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่แหละนะ โดยการนำของคุณวุฒิชัยเทวิศักดิ์สิริผลนะพาสมาชิกนะมาทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นมาแจกผ้าห่มให้กับชาวบ้านตั้งแต่ปี 2-5 เนะี่ยตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพ่อพยอมนะกาลยาโนก็ขึ้นมาด้วยตอนนั้นท่านยังไม่มีชื่อเสียงนะท่านก็มา ฉายสไลด์มาเทศให้ชาว บ, บ้านฟังอากรุศษาและปฏิบัติธรรมสมัยที่คุณวิติชัยยังมีชีวิดอยู่เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะในการชักชวนคนหนุ่มสาวให้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมนะกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในสมัยนะั้นหลวงพ่อเทียนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนในกรุงเทพ แต่ว่าการชักชวนของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่ก็ทำให้มีคนหนุ่มสาวมาร่วมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรมหลงพรเทียนมากขึ้นสาวอาทิตย์ก็มาเจริญสติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมบางช่วงก็พาสมาชิกนะไปไปเยี่ยมนะไปเรียนธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาสนะที่สวนโมกเรียกว่าธรรมมหนะันษา ธรรมนานสาเนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทํามาต่อเนื่องหลายปีตารางก็จัดทํามานสามาที่สุกโตโด้วยธรรมะเองก็ได้ น, นิสงฆ์นะจากงานของกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมเพราะว่าหนังสือที่กลุ่มศึกษาพิมพ์หลายเล่มก็เป็นงานบรรยายของหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อเทียนแล้วก็หลวงพ่อคําเขียนอันที่จ ร, ร, รมาก็รู้จักหลวงพ่อคำเขียนมาก่อนละ จากการมาช่วยงานของท่านที่ทำมาไฟหวานตั้งแต่ปีสองสแต่ว่าเรื่องการเจริญส ต, ติแนวหลวงพ่อเทียนก็ไม่ค่อยได้สนใจจนกระทั่งพอคิดจะบวชนะก็ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติกรหลวงพ่อคำเขียนท่านก็แน่ว่าให้มาปฏิบัติกรหลวงพ่อเทียนนี่แหละเพราะว่าสุขโตตอนนั้นนะปีสองห้าสองหกก็ยังเรียกว่ากันดานขัดสนมาก พระที่อยู่ประจําก็ไม่ค่อยมีหลวงพ่อท่านก็มีกิจนิมนต์เยอะนะก็ได้มาปฏิบัติเจริญสตนะิเรียกว่าเริ่มตั้งไขกันที่วัดสนามในแต่พอขึ้นมาที่วัดป่าสุโกโตจังพรรษาแรกเนี่ยก็มีกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะที่พากันขึ้นมามาแต่ละครั้งนะก็ช่วยอุปถัมภ์ทางวัดป่าสุโกโตมากมายหลายอย่าง พอตอนนั้นพระปัสสุกตโตก็ยากจนนะเอาอาหารเอาอข้อของเครื่องใช้ขัดสนอะไรก็คุณวิทิชัยกับคณะก็ไปหามานะจนกระทั่งคุณวิทิชัยวิทิชัยเสียชีวิตเนะี่ยปี30สาระน้ำเนี่ยนะหลายคนไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นะคุณวิทิชัยสร้างขึ้นปี30นะนี่ก็ครบ30ปีพอดี รูปภาพคุณวิทิชัยนะที่ติดสาราน้ำเนี่ยหลายคนก็นึกว่าเป็นภาพอรตามานะทั้งที่หน้าตาแล้วก็รูปร่างก็ตรงเรียกว่าต่างกันมากเลยคุณวิทิชัยที่ตัวสูงนะปรตามาตัวเตี้ยนะแต่ว่าภาพเนี่ยชวนทําให้เห็นว่าเป็นภาพอระตามาอันนั้นคือภาพคุณวิทิ์ชัยนะซึ่งก็ยังติดไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าคุณวิทิ์ชัยแล้วก็กลุ่มศึกษานี่นนได้ มาช่วยเหลือเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลนะกับทางสุกโตมาช้านานนะแม้เมื่อคุณพุทธิชัยนะตายจากไปนะกลุ่มศึกษาในปฏิบัติธรรมก็ยังจัดงานธรอมหารศารมาที่สุกโตอยู่ค่อนข้างต่อเนื่องนะจนมาทั่งก็ค่อยๆซาไปเนื่องจากสมาชิกกรรมการก็อายุมากนะปีนี้ก็ก็รวบรวม เพื่อนฝูงนะขึ้นมาที่นี่อีกเพื่อมาร่วมทอดพระปาอ่ า, อาร่วมทอดกระถินอันนี้ก็อา่าก็ขออนุมโมทนาด้วยนะอีกกลุ่มนึงนะที่มาด้วยกันนะก็คืออดีตสมาชิกชุมพุทธศาสตร์ละประเพณีนะมาเลยธรรมศาสตร์อา่าหลายคนก็เคยทำกิจกรรมร่วมกับอาตมานะเพราะว่าสมัยที่อาตมาเป็น นักศึกษาธรรมศาสตร์ชมรมเดียวนะที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็คือชมรมพุธนี่แหละตั้งแต่ปีหนึ่งนะไปสิงสถิตที่นั่นนะอยู่เป็นประจำบางทีก็ใช้เป็นที่นอนนะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าไปาไปสิงสถิตแถวนั้นทำกิจกรรมเขียนหนังสือนะแล้วก็ตั้งวงคุยตั้งแต่ปีหนึ่งแปดนะร้อนะยคนอ่านะ ขึ้นมาวันนี้ก็ทำให้นึกถึงช่วงที่เราเคยทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพา ะ, ะที่เป็นหลักๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็หลายคนก็เป็นอดีตประธานชุมนุมพุทธนะเชน่นอาจารย์สมใจนะซึ่งก็ได้มาบวชเป็นพระได้ 5-6 ปีแล้วคุณเดิมแท้นะหรือว่าสมรักนะก็เคยเป็นประธาน ชุมนุมพุทธแล้วก็มีสมาชิกหรือกรรมการเก่าแก่อีกนะหลายค น, นพวกเรานี่ที่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยปีหนึ่ง0ปดหนึ่งเก้สองนยีก็เล่าเคยร่วมกิจกรรมแล้วก็ต้องเรียกว่าร่วมชะตากรรมนะด้วยเหมือนกันเพราะว่ า, าบางคนก็มีโอกาสติดคุกด้วยกันนะเกตุลา ok นะ นี่มาวันที่6ตุลาฯนี่ก็พอดีเลยนะครบรอบปีมันก็บังเอิญ น, นะมาวันนี้6ตุลาฯครบรอบ41่สิบอ็ดปีที่รวมชะตากรรมเดียวกันก็เพราะว่ า, าช่วงก่อน6ตุลาฯเนี่ยนะมันมีความตึงเครียดมากนะพวกเราที่เป็นกรรมการสมาชิกอาตมาไม่ได้เป็นกรรมการนะแต่ก็เป็นสมาชิกรุ่นพุทธก็คิดว่าควรจะทําอะไรสักอย่างนะที่จะช่วยลดความร้อนแรงความขัดแยง้ง พวกเราก็เชื่อเรื่องสันติวิธีเชื่อเรื่องอหิงสาเนะี่กิจกรรมนันหนึ่งนะก็คือการอดอาหารเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนได้หันมาแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีแต่อดไปได้แค่วันเดียวนะคืออดวันที่5วันที่หก็เกิดเหตุร้ายนะหลายคนก็ถูกลอบตัวไปแล้วก็มีอาจารย์สมใจอัตมาก็โดนด้วยแล้วก็ ไม่รู้จำไม่ได้ว่าสมรักหรือว่าเดิมทานนี่โดนรวบตัวไปโดยหรือเปล่านะในวันนั้นอะบางเขนใช่ไหมอ่าอันนี้เราร่วมชะตากันเดียวกันจำได้มีเจ็ดคนมีเจ็ดคนนะทั้งหญิงและชายนะกระจายกันสามที่นะนคววรปฐมบางเคนแล้วก็เมืองชนนะอันนี้ก็ก็เป็น เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งการที่พวกเราได้ขึ้นมาในวันนี้6ตุลาเนี่ยนะมันก็เลยชวนให้นึกถึงชะตาการรมที่เราเคยมีร่วมกันแล้วก็เลยพลอยให้คิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยตอนที่ตมาออกจากเรือนจำเนี่ยหลังจากติดคุกไป3วันเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันรู้สึกสูญเสียศรัทธาในในมนุษย์นะ สูญเสียศรัทธาในมนุษย์เพราะไม่เชื่อว่าคนไทยเรานี่จะทำกันได้ถึงเพียงนี้นะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีการฆ่านะแล้วก็มีการจับคนไปแขวนคอทั้งเป็นไม่ใช่แค่สองคนนะ เ, าเราะว่ามีถึงห้าคนแล้วก็ระหว่างที่แขวนคอนี่ก็มีการทุบมีการตีมีการแทง จนตายนะนะหลายคนอาตมาเชื่อว่าก็คงจะอาจจะไม่ไม่เคยเตะไม่เคยเตะหมานะไม่เคยฆ่ า, กาไก่ดยซ้ำนะแต่ว่าก็สามารถจะทำกับเพื่อนมนุษย์หรือว่าคนไทยด้วยกันได้มันก็มีเหตุอะไรที่ร้ายแรงนะในวันนั้นนี่เยอะมากนะอาตมาเองโดยส่วนตัวก็ประสบแต่ก็ไม่ถึงกับ เลือดตกยางออกก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะกว่าจะกลับมามีศรัทธาในเพื่อนมนุษย์นะเพราะคิดว่าคนจํานวนหนึ่งนะซึ่งอาจจะมีเป็นเป็นร้อยหรืออาจจะเป็นพันก็แล้วแต่ไม่สามารถจะเป็นตัวแทนของมนุษยาชาติได้นะอันนี้ก็ก็ทำให้เริ่มมีศรัทธาขึ้นมาในมนุษย์ขึ้นมาใหม่แต่ขณะเดียวกันมก็ทำให้เห็นนะว่า บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจะทําความชั่วร้ายได้ในนามของความดีนะหลายคนที่เขาฆ่านักศึกษาหรือประชาชนเนี่ยที่มือเปล่าเนี่ยด้วยการทรมานนะอย่างเลวร้ายเนี่ยเขาคิดว่าเขาทาเพื่อปกป้องนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นสิ่งดีงามนะ แต่ว่ามันก็สามารถจะผลักให้คนเนี่ยนะทำสิ่งชั่วร้ายได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งราครั้งเรานะในประวัติศาสตร์สิ่งความดีก็ตามหรือว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นความดีเนี่ยถากว่าเราวางใจไม่ถูกนะเช่นยึดติดถือมันกับมันมากเนี่ย มันก็สามารถจัผลักดันให้ผู้คนหรือตัวเราเองเนี่ยทำความชั่วร้ายได้การทำความชั่วร้ายในนําความดีเนี่ยนะดูมันขัดแย้งกันนะแต่ว่ามันมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอสงครามระหว่างศาสนาเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาทำเพื่อปกป้องความดีหรือว่าสิ่งดีงามสูงสุดที่เขานับถือ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันก็คือการทำลายล้างกันนะแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยการก่อการร้ายเนี่ยที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเด็กนะผู้หญิงคนแก่เนี่ยหลายคนก็ทำในนามของาศาสนาในนามของพระเจ้าจะเพื่อปกป้องาศาสนาหรือพระเจ้าของตัวหรือว่าเพื่อ ทำให้ศาสนาคําสั่งหรือทําให้ศาสนาและคําสัง่งสอนนะมันได้แพร่กระจายออกไปนะอันนี้ก็เชื่อว่าเขาทำเขาทำความดีแต่ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันกลายเป็นความชั่วร้ายเพราะว่ามันมีการฆ่าผู้ฟันคนหรือว่าจับคนมาทรมานแ ล, แล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ยังเห็นมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะอาจจะไม่ถึงขั้นอะ ทำร้ายร่างกายกันแต่ก็สามารถจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนได้ทั้งหมดนี้ก็ทำในนามของความดีหรือปกป้องความดีนะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียนะเราก็เห็นนะแม้กระทั่งในเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้มันก็มีปรากฏการแบบนี้ ก็คือการเบียดเบียนกันในนามของความดนะีหรือว่าเบียดเบียนกันเพื่อปกป้องรักษาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีงามสิ่งนั้นอาจจะเป็นความคิดหรืออุดมการณนะ์ที่เราเห็นว่าดีนะอาจจะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เราเห็นว่าดีและเมื่อเราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมนั้นหรือว่าคิดต่างจากสิ่งที่เราเห็นว่าดีหรือว่ากระทํานะตรงข้ามกับสิ่งที่เราเห็นว่าดีการเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะอะไรนะเพราะเวลาเราเห็นใครเนี่ยทาไม่ดีคิดไม่ถูกต้องหรือว่า กระทบกับสิ่งที่เรายึดว่าดีนะเราก็มักจะโกรธนะแล้วเกิดความเกลียดตามมาไอ้ทันทีที่เกิดความโกรธความเกลียดตามมาเนี่ยนะมันก็สามารถจะผลักไสให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีได้หลายครั้งเนี่ยนะเราเห็นคนอื่นทําไม่ดีแต่เราก็กลับทําไม่ดีอาจจะพอๆกับเขาหรือยิ่งกว่าเขาก็ได้ อันนี้เพราะอะไรนะพระความยึดติดถือมั่นความยึดติดถือมั่นในความดีหรือความยึดติดถือมั่นในสิ่งที่เราถือว่าดีนะอาจจะเป็นอุดมการอาจจะเป็นศาสนาอาจจะเป็นแบบแผนประเพณีแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าอันตรายอยู่ตรงที่ว่าพอเราไปยึดติดถือมั่นเขาเนี่ย ไอ้ความยึดติดถึงมันก็สามารถจะผลักดันให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีได้นะพูดร้ายหรือทำร้ายหลวงพ่อเฟื่องโชติโกเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดธรรมสถิตนะจังหวัดระยองท่านพูดไม่ดีนะสั้นๆ น, นะแต่ว่าน่าคิดมากท่านบอกว่าถึงความเห็นของเราจะดีจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิด ความเพีงขอเราเนี่ถึงแม้ถูกนะแต่พอเรายึดติดถือมั่นเข้าไปมันผิดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดติดถือมั่นได้นี่ข้อที่หนึ่งนะรตมาตีความนะทำไมอธิบายประการที่สองคือว่าพอเราไปยึดติดถือมั่นเนี่ยเราก็ยึดว่ากูดีกูถูกไอ้ความคิดว่ากูดีกูถูกนี่แหละที่มันสามารถจะทำให้เราเนี่ยทาร้ายคนที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่ถูกได้ เวลาเรายึดมั่นในความคิดใดก็ตามเนี่ยถ้าคนหนึ่งคิดไม่เหมือนเราเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะเห็นว่าเขาผิดนะไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ถูกและพอเราเห็นว่าเขาคิดไม่ถูกนะเราก็จะเริ่มไม่พอใจเขาเราก็จะเริ่มมองเขาเป็นปฏิปักษ์และตรงนี้แหละมันเปิดช่องให้กิเลสนะหรือว่า ความชั่วร้ายเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะพอเราโกรธพอเราเกลีย ด, ดนะเราก็ลืมตัวได้ง่ายก็อาจจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการทําร้ายกันไม่ว่าด้วยคําพูดหรือการกระทําเนี่ยนะมันมักจะเกิดจากความโกรธความเกลีย ด, ดและความโกรธความเกลียดมันเกิดจากการที่เราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขาทําไม่ถูกเขาคิดไม่ถูกนะ เขาทำผิดประเพณีนะหรือว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะตามหลักศีลธรรมตามหลักศาสนาก็แล้วแต่คนเราเนี่ยพอเรามองขายว่าผิดนะเราก็จะรู้สึกทันทีว่าต้องจัดการนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนที่คิดผิดเนี่ยนะเราจะทำไงกับเขาก็ได้อันนี้เราเห็นได้นะเวลา มีการทำแผนประกอบควารับสารภาพเนี่ยนะของผู้ต้องหาค ด, ดีขมคืนคดีฆ่า ข, ข่มคืนก็นแล้วแต่คนเรานั้นยังเป็นแค่ผู้ต้องหานะแต่ว่าเวลาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยเราจะเห็นประชาชนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปลุมประชาทันนะถ้าตำรวจไม่ไม่กันเอาไว้คนนั้นก็อาจจะโดนประชาทันถึงตายได้คนที่ไปลุมประชาทันเนี่ยเขถือสิทธิ์อะไรนะ ก็ก็ถือว่าไอ้แกเนี่ยหรือมึงเนี่ยเป็นคนชั่วนะเพราะฉะนั้นกูต้องสั่งสอนนะต้องจัดการแต่ว่าคนที่ไปกระทืบหรือว่าไปรุม ป, ประชามันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขาแทบจะไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าไอ้ที่ทาเนี่ยแล้วมันถูกแล้วหรือไอ้สิ่งที่เขาทามันผิดอยู่แล้วนะสมมตินะแต่ก็ยังไม่แน่เพราะเขาเป็นแค่ผู้ต้องหาแต่การไปประชามนเาเนี่ยมันถูกเลยนะ แต่คนส่วนให ญ, ญ่ก็ไม่ได้คิดนะเพราะว่าในเมื่อเห็นว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นผู้เป็นคนเร็วเป็นฆาตรกรเนี่ยนะมันเป็นคนผิดนะสิทธทิของมันคือศูนยะ์นะคนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนยะ์ะไม่มีสิทธิ์แม้จะทั้งได้รับความเมตตาไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะได้รับการอ่าการพิสูจน์ตัวเองนะขอตั้งศาลเตี้ยเลย ในขณะที่ผู้คนเนี่ยไปลงโทษคนเหล่านั้นนะเพราะเป็นคนชั่วเป็นคนผิดเนี่ยเขาลืมไปว่าเขาก็เองก็กาลังทำสิ่งที่ผิดเหมือนกันนะคือไปทำร้ายไปลุมประชาชนเขาแล้วคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวนะเพราะคิดว่าตัวเองถูกเนี่ยแต่ว่าถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนั้นนะแต่คนเรา ส, ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเผลอทำนะในสิ่งที่เราคิดว่าถูกแต่ว่ามนไปก่อการเบียดเบียนเขาได้ มันเคยมีที่ประเทศเกาหลีนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเอาหมาไปเลี้ยงเอามาไปเดินเล่นบนท้องถนนในเกาหลีเนี่ยเขามีกฎนะว่าคนที่เอาพาหมาไปเดินเล่นเนี่ยในที่สาธารณะเนี่ยจะต้องเก็บอุจจาระหรือเก็บขี้ของหมาเนี่ยที่มันขี้ตามทางด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีถุงพลาสติกนะนะถือไปด้วยนะพอหมามันขี้เนี่ยเอาก็ต้องเก็บ แต่ปรากว่ามีพี่อู่คนหนึ่งเนี่ยนะหมามันขี้นะแต่ว่าเธอไม่เก็บเธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็บังเอิญนะมีการถ่ายรูปนะกล้องวงจรปิดมีการเอากล้องวงจรปิดเอาเอาภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นเว็บไซต์สมัยก่อนยังไม่มี a c e b o o k นะ พอขึ้นเว็บไซต์เนี่ยนะมันก็มีการตามล่าแล้ววนะ่าผู้หญิงคนนี้คือใครไม่ได้เวลาใช้เวลาไม่นานนะนะก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้ทํางานที่นี่มาเทเลนี่เท่านี้แหละนะคนก็ลุมกันนําเลยนะลุมด่าลุมด่าลุมด่าไม่พอนะไปลุมด่ามาเทยาลยที่เธอทํางานด้วยเรียกร้องให้ให้ปลดให้ไล่เธอออก หมายถ้าไเนี่ยทนไม่ได้นะก็ต้องไล่เธอออกนะเธอไปทํา ง, งานที่ไหนนะคนก็ไปลุมด่าที่นั่นแหละเพื่อไม่ให้เขารับเธอเข้าทํางานเท่านั้นไม่พอนะไปลุมด่าถึงอพ่อแม่นะญาติพี่น้องนะเรียกว่าตามล่ากันทั้งทั้งครอบครัวเลยจนกระทั่งเธอเนี่ยนะเรียกว่าแทบจะไม่มีที่ ที่ยืนในสังคมอะถ้าถามว่าสิ่งที่ทําเนี่ยผิดไหมผิดนะผิดกฎหมายผิดระเบียบแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนลุมกระทํากับเธอเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะมันเกินไปหรือเปล่านะแล้วคนที่ทำนี่ก็ไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะคิดว่าฉันทําสิ่งที่ดีงามนะไอ้คนที่ทําผิดระเบียบของสังคมนี่มันสมควรจะต้องนะถูกจัดการ แต่ว่าเพียงแค่นี้ทําให้เขาไม่มีที่ที่อยู่ในสังคมเลยเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าหลายคนเชื่อตัวเองทําถูกแต่ว่าเรามองจากสายตาคนภายนอกเนี่ยมันก็เห็นว่าเขากําลังทําผิดแล้วล่ะขาดความเมตตาโดยเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรที่มารุนแรงกว่า น, นั้นเยอะนะหรือเกิดผลกระทบตามมาที่น่ากลัวเมื่อสักปีที่แล้วมันมีนางแบบอิตาลีคนหนึ่งนะเธอก็แสดงความเห็นสนับสนุนรักร่วมเพศ รักเพศเดียวกันนะั่นนะหรืออาจจะสับสูญการแต่งงานของเพศเดียวกันบอกกักว่าโดนคนอิตาลีเนี่ยลุมดา่านะอันนี้มันเกิดขึ้นในยุคที่มีเฟซบุ o กแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยนะลุมดา่าเรียกว่าจงกระทั่งเธอนี่ต้องต้องเก็บตัวเลยนะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากก็ยังไม่เลิกไม่ลานะก็เล่นงานเธอ เล่นงานเธอไปจนถึ ง, ถ, งถึงที่ทำงานจนถึงเจ้านายถึงบริษัทที่ที่ทจ้าจ้างเธอเธอก็หลบตัวไปอยู่กับยายไอไปอยู่กับป้านะแล้วก็เป็นทุกอย่างหนักและสุดท้ายเธอค่าตัวตายไอคนที่ค่าตัวตายเพราะว่าถูกลุมด่าเนี่ยทาง Facebook หรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีคนสองคนมันมีเยอะมาก และส่วนใหญ่คนที่ด่าเนี่ยก็ถือว่าตัวเองทำถูกนะอย่างนางแบบคนนี้เนี่ยนะมีความคิดที่ผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดการต้องสั่งสอนแต่ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะมันถูกหรือเปล่านะเวลาเรามองใครว่าผิดเนี่ยนะต้องระวังทีเดียวลองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะผิดไปด้วยนะเพราะว่าพอเราเห็นใครทำผิดคิดผิด ไม่ว่าผิดประเพณีผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าผิดวัฒนธรรมเนี่ยมันง่ายนะที่คนเราเนี่ยจะมีความโกรธเกลียดถ้าเราไม่ระวังตัวเนี่ยนะความโกรธเกลียดจะเกิดขึ้นในใจแล้วไอ้ความโกรธเ ก, เกนในใลกเกียดนั่นแหละที่มันจะผลักให้เราทำร้ายผู้อื่นในนามของความดีในนามของการปกป้องความถูกต้องในการในนามของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งที่จริงมันก็อาจจะเป็นแค่สมมติก็ได้นะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ทำเนี่ยประเพณีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหลายคนเนี่ยนะคิดว่าตัวเองทําในนามความดีแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันกลายเป็นนะความเลวหรือความชั่วร้ายไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าการที่ไปยึดติดถือมั่นในความดีหรือในความคิดของตัวเองว่าดีนะพอใครคิดไม่เหมือนตัวเนี่ยก็จะเกลียดมีความเกลียดชัง แต่แทนที่เราจะไปมองคนอื่นนักกบมามองตัวเองนะเมื่อใดก็ตามที่เรามองใครว่าดีอาใครว่าไม่ดีมองคนอื่นว่าผิดมองคนอื่นว่าชั่วเนี่ยจะต้องีึกกลับมามองที่ใจเราเพราะว่าตอนนั้นแหละนะที่ความโกรธความเกลียดอาจจะครอบ ง, งาในจิตใจเราได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนเราให้เป็นอสูรสามารถจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้ร้ายโดยไม่รู้ตัวได้เมื่อ เปีที่แล้วมั้งนะเราคงเคยดูคลิปนะคลิปของเจ้าของรถคันเล็กนะ c ิ o ิคูเถูกชนท้ายคนชนท้ายนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ชื่อบอยที่แล้วก็ชนท้ายแล้วเขาก็หนีนะก็ก็คิดว่าเจ้าของรถ m i n i c o o p e r นี่ไม่รู้ตอนหลังเขาเนี่ยเปลี่ยนใจเขาก็วกกลับมาพอเขาวกกลับมาเนี่ยนะเจ้าของรถ ก็ไปลากคอบอยเนี่ยมาที่รถเขาแล้วก็ต่อยล้วตบระหว่างที่ดาระหว่างที่ตบระหว่างที่ต่อยเนี่ยก็พูดวันนี้ทาไมหนีทาไมอันนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการสั่งสอนว่าทีหลังชนแล้วยันหนีไอ้คนที่ชนแล้วหนีนี่มันแย่นะมันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะเขาต้องการสั่งสอนว่าทีหลังอย่าทำทีหลังยันหนีแต่ในขณะที่เขากำลังสั่งสอนคนที่ทำไม่ถูกเนี่ย สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกยิ่งกว่าคนนั้นอีกเพราะว่าสิ่งที่บอยทำเนี่ยก็เพียงแค่ทําให้รถนะมันมีรอยแต่ว่าสิ่งที่เจ้าของรถมินะิคูเปอร์เนี่ยนะชื่อน็อตเนี่ยนะทำเนี่ยมันคือการทําร้ายร่างกายเขากําลังคิดว่าเขากําลังปกป้องนะกดระเบียบของสังคมเขากําลังคิดว่าเขากําลังสั่งสอนคนที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจคือชนแล้วหนี แต่เขาหารูไ้ไหมว่าสิทธที่เขาทาเนี่ยมันแย่กว่าคนที่เขากําลังลงโทษสินี่เพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวและลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าความยึดติดถือมั่นนะในความดีของตัวนะรวมทั้งความโกรธเกลียดนะคนที่ไม่ไม่ประพฤติตามกฎ ร, ระเบียบของสังคมแบบแผนที่ถูกต้องเนี่ยนั่นต้องระวังนะความยึดติดในความดีเนี่ยมันสามารถจะพาให้เราทําชั่วได้ ในนําความดีเลยไม่รู้ตัวเพราะยิ่งยึดติดในความดีเท่าไร่เนี่ยพอใครไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีหรือทำไม่ดีเหมือนที่ตัวเองคิดเนี่ยมันจะเกิดความโกรธความเกลียดและตัวเนี้ยคืออันตรายนะไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็สามารถจะทําให้คนเรานะทําชั่วหรือเบียดเบียนกันได้โดยอ้างความดีหรือเพื่อปกป้องความดีหกตัวลาก็เหมือนกันนะ มันเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีเห็นมานักศึกษานี่เป็นพวกที่คิดร้ายต่อชาติสากษัตริย์บางทีคิดถึงกระทั่งว่าไอ้พวกนี้เป็นยวนนะเป็นแกวนะมีการสะสมอาวุธกันมากมายในธรรมศาสตร์สุดท้ายก็ไม่เจออะไรคนไทยทั้งนั้นนะแม้กระทั่งคนที่ถูกแขวนคอก็ไทยอันนี้มันได้เป็นบทเรียนให้กับเรานะหตุลาเนี่มาครบ ครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนคนยังไม่ค่อยสรุป บ, บทเรียนเท่าไหร่ก็ยังทายังทําความชั่วหรือว่าเบียดเบียนกันในนามความดีนะไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออุดมการนะอธิทะเลาะ ก, กันเนี่ยระหว่างเหลืองแดงเนี่ยมันก็หรือว่าคิดจะจองร้างจองผ่านกันเนี่ยก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งต่างก็มองว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ดีเป็นคนผิดคนชั่ว มันก็เลยนะสามารถจะทำอะไรก็ได้เพื่อสั่งสอนหรือว่าเพื่อจัดการเพื่อทำให้สังคมมีความสงบสุขสังคมมีความอ่เป็นปกติสุขมากขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายคนที่เราทำร้ายกันดา่ากันก็บางทีก็เป็นคนในครอบครัวบางทีก็เป็นเพื่อนไม่ต้องพูดถึงเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อนร่วมร่วมโลกหรือเพื่อนร่วมทุกนะนั่ต้องระวังนะไอการยึดติด ความดีเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ายึดติดถือมั่นเนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นโทษได้อาจารย์พุทธทาสก็เคยบอกนะว่าเนี่ยระวังความดีกัดเจ้าของนะบางทีท่านถึงกับพูดนะพูดแรงเลยนะบอกว่าชั่วกับดีก็อับปีทั้งนั้นเนะ่ยชั่วกับดีก็อัปรีทั้งนั้นเนี่ยอันนี้หมายความว่าท่านต้องการพูดกระแทกใจคนว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นในความดี พอสิ่งที่เราดีสิ่งที่เรายึดว่าดีเนี่ยอาจจะไม่ดีจริงก็ได้อาจจะเป็นแค่สมมติชั่วครั้งชั่วคราวหรือถึงแม้มันจะดีแต่ถ้าไปยึดมากเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ดีไปได้นะบางทีเราก็ทำร้ายกันนะในานามของการปกป้องศาสนานะอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีการไปเบียดเบียนไปนะไปใช้ความรุนแรงนะกับนะชาวโรฮิงญาเนี่ย คนที่ทำนี่ก็อ้างตัวเป็นพุทธนะอันนี้เกิดขึ้นในพมา่าเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขาต้องการปกป้องศาสนาศาสนาและศาสนาพุทธนะเขาคิดว่าคนโรหิตยาพวกนี้เป็นมุสลิมนะซึ่งกําลังจะกลืนพุพทธศาสนากําลังจะเบียดเบียนพุทธศาสนาแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงนะคนมุสลิมเนี่ยมีแค่สไม่ถึงหคนพุทธนี่เกือบ 90% ถ้าคน 4% ี่อรนกลืนพุทธศาสนาได้ มันแสดงว่าศาสนาพุทธนี้อ่อนแอเต็มทีแล้วมันแสดงว่าคนไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเพราะถ้าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเกลือนไม่ได้หรอกไม่มีอะไรจะทำให้พุทธศาสนาสั่นคลอนได้ถ้าว่าชาวพุทธหรือพุทธบริษัทนะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยที่ไปทำร้ายเขาด้วยความรลุนแรงเนี่ยไปเผาบ้านไปฆ่าเขาเนี่ย มันก็แสดงในตัวแล้วว่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อศีลอยังรักษาไม่ได้เนี่ยเราจะรักษาพุทธศาสนาได้อย่างไรนะคนไม่ค่อยคิดนะต้องการรักษาพุทธศาสนาแต่ว่าศีลรักษาไม่ได้เนี่ยเมื่อศีลรักษาไม่ได้เราจะไปรักษาพุทธศาสนาได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ น, นี้ก็เป็นพ่อความหวงแหนในพุทธศาสนามากมก็เลยทาให้ เกิดความจงเกียจจงชังนะคนที่นับถือศาสนาอื่นมีข่าวลือแล้วก็เชื่อเราก็ทำให้พร้อมจะใช้ความรุนแรงกับเขาได้ทั้งที่สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็สวนทางกับคำสัองพทะเจ้าแต่ทำเพราะอะไรเพราะว่าความยึดติดถือมั่นนะความห่วงแหนในพุทธศาสนาจนลืมตัวใที่หลวงพ่อเฟื่องพูดเนี่ยนะเป็นคติเตือนใจที่ดีนะ ถึงความเห็นของเราจะถูกนะแต่ถ้ายึดมั่นมันก็ผิดนะให้เรายึดหลักนะสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยสัจจานุรักเนยะัจจานุรักเนี่ยมันแปลว่าการคุ้มครองความจริงอันนี้เป็นหลักธรรมที่คนไทยไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่แต่สำคัญมากสัจจานุรักเนี่ยมันมีหลักว่าอย่าไปอย่าไปยืนกรานว่าความเห็นของเราเท่านั้นที่ถูกนะ สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นที่จริงที่ถูกต้องนะคนึ่งที่เห็นต่างจากเราคือผิดคนหนึ่งที่คิดจากต่างจากเราคือไม่ถูกต้องถ้าใครคิดแบบนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสัจจานุรักษ์นะซึ่งเป็นหลักหนึ่งในพุทธศาสนาเป็นหลักที่ทำให้เราเปิดใจกว้างเราไม่จะเราจะไม่ไปยืนการผูกขาดว่าที่เราเห็นนั่นถูกที่เราคิดนั้นถูกหรือดี ใครที่คิดต่างจากเราคือผิดนะใครที่เห็นต่างจากเราคือไม่ถูกต้องอัน่คิดแบบนี้นี่เรียกว่ากำลังเดินกำลังปฏิบัติสวนทางกับสัจจานุรักษ์นะเพราะนั้นเนี่ยนะให้เราลองเปิดใจกว้างนะคนที่คิดต่างจากเราเห็นต่างจากเราเนี่ยอาจจะถูกก็ได้มันมีภาพหนึ่งนะเป็นการ์ตูนนะเป็นภาพว่าคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเลขเก้าเลขเก้าอยู่ระหว่างสองคน ไอ้คนนึงบอกเลขเก้าอีกคนหนึ่งบอกเลขหก ก, 6, ก็เถียงกันนะว่าใครถูกนะบางครั้งคนเราเนี่ยทะเลาะ ก, กันก็คล้ายๆแบบนี้นะไอ้คนที่บอกว่าเลขเก้าเนี่ยมันก็ถูกใช่ไหมไอ้คนที่บอกว่าเลขหก 6, มันก็ถูกเพราะว่าคนนึงเนี่ยอยู่อยู่ตรงหางเลขเก้าอีกคนหนึ่งอยู่ดูหัวเลขเก้าเนี่ยคนอยู่หางเลขเกามก็บอกว่าเนี่ ย, ค, ยคือเลขเก้าไอ้คนที่อยู่หัวเลขเก 9, ้ามก็บอกว่านันน่นคือหกนะคนหนึ่งบอกเก้าคนหนึ่งบอกหกเนี่ยถามว่าต้องมีค น, นสักคนนึงต้องผิดแน่นอนเลย แต่จริงหรือเปล่าที่มีคนหนึ่งผิดนะสองคนก็ถูกกันสองคนถูกก็ได้นะเพราะยืนคนละมุมนะอันนี้ก็ลองคิดดูคำนี้ก็นะข อ, อะฝากาไว้เป็นข้อคิดกับภาพพร้อมกัน